บทที่8ทำความดีต้องฝืนใจรัฐมนตรีคุณหญิงและผู้ติดตามพากันกลับไปแล้วพระบุยเหียวซึ่งนั่งสงบเสงเงียมฟังท่านพระครูเล่าเรื่องคุณนายลำใหญ่มาตั้งแต่ต้นจนจบได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ ทำไมคุณหญิงนั่นแกกราบเบญจังข้าประดิษฐ์ไม่ได้แต่ยังได้เป็นคุณหญิงล่ะครับท่านพระครูมองหน้าคนถามยิ้มตามแบบฉบับของท่านที่ใครๆชมว่ามีสเสน่ห์แล้วจึงพูดขึ้นว่าเอถามแปลกดีรู้สึกว่าเธอชอบถามอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะก็ผมอยากรู้นี่ครับตอบซื่อ จะรู้ไปทำไมบางครั้งท่านพระครูก็คิดว่าการได้ตอปากต่อคคำกับคนช่างซักก็ทำให้เพลินดีเหมือนกันรู้ไว้เพื่อประดับความรู้ครับหลวงพ่ออ่อถ้าอย่างนั้นก็จะได้บอกให้เอาบุญครับรับรองว่าหลวงพ่อได้บุญหลายหลายเอเธอถามว่าอะไรนะจาไม่ได้แล้ว ท่านแกลงยั่วหลวงพ่อความจำชักไม่ดีแล้วสิครับแสดงว่าแก่แล้วคนซื่อได้ทีชัชะัได้ทีขี่แพะไหลเชนาโบเฮีย ว, นะ ว, เ, ยวเขาเรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่ตังหากละครับไล่ใครละ่ะไล่แมวครับงั้นก็นแล้วไปนึกว่าไล่เธอแล้วก็ยุ่งเชียวละ คนซื่ออยากรู้เร็วๆจึงถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทำไมคนกราบเบญจางคปปิดิ์ไม่เป็นถึงได้เป็นคุณหญิงก็ทำไมคนกราบเป็นจึงไม่ได้เป็นคุณหญิงล่ะการเป็นคุณหญิงเขาตัดสินกันวัดกันที่กราบการไหว้เมื่อไรล่ะคนที่ได้เป็นคุณหญิงเขาต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกว่าสายสปายนั่นไง สงสัยสิว่าเครื่องราชอิสริยพรคืออะไรท่านพระครูแกล้งดักคอเครื่องราชอิสริยพรก็คือสายสะพายนะสิครับคนความจำดีตอบเออเก่งนี่ท่านพระครูออกปากชมแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าไอ้สายสะพายเนี่ยเป็นแบบเดียวกับ ตับพายที่เขาเอามาร้อยจมูกวัวจมูกควายหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบเดียวกันคุณหญิงคุณนายไม่ต้องถูกร้อยจมูกหรือคนที่สงสัยถามอย่างสงสัยมันไม่เหมือนกันหรอกสายตับพายนั่นน่ะมันเป็นเชือกเวลาเขาเอาเชือกมาร้อยจมูกวัวควายเขาก็เรียกว่าสนตับพายแต่สายสพาย เป็นผ้าแถบยาวๆกว้างประมาณสามนิ้วพอจะเข้าใจหรือยังละ่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแอบสังเกตก็คือคุณหญิงแกท่าทางข่มผัวหน้าดูเลยแล้วก็ไม่มีมารยาทไปแอบฟังท่านคุยกันขนาดสมชายไปบอกก็ไม่ยอมลงมานี่ถ้าเป็นเมียผมแล้วก็ตบล้างน้ำเลย คนช่างสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยู่ไปมาพรางทำเสียงเฟี้ยวๆฟยวไปด้วยเห็นคนฟังไม่ว่ากะไรจึงวิจารณ์ต่อถ้าทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียหน้าดูเลยเสียเชิงชายหมดเอาเธอนะใครเขาจะข่มกันจะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขามันหนักกระบาลเธอหรื อ, อยังไงล่ะ ซึ่งแดเดือดร้อนนักท่านพระครูว่าให้มันก็ไม่หนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ดีนักตัวเองออกใหญ่โตรูปร่างและตำแหน่งไม่น่าจะกลัวผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนี่แนะบบวเหียยกลราวนี้ท่านพระครูพูดเป็นงานเป็นการนักปฏิบัตินะเขาไม่สนใจเรื่องของคนอื่นหรอก คือสติปัฏฐานสี่นั่นน่ะไม่มีข้อไหนที่บอกให้สนใจสิ่งนอกตัวกายเวทนาจิตธรรมล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิน้นเอาละทีนี้จะได้อธิบายจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานข้อที่สสองข้อแรกมีอะไรบ้างไหนบอกมาสิท่านทดสอบความจำของคนเป็นสิทธ ญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานครับเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรครับดีแล้วคราวนี้มาพูดถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เธอกำลังคิดกำลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจิตตานุปัสสนาเพราะเธอเอาจิตออกไปนอกตัวไม่ใช่สติตามรู้จิตของตัวเองปล่อยให้จิตซัดสายไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เหมือนอย่างที่เธอกําลังพูดเรื่องของคนอื่นอยู่ขณะนี้นักปฏิบัติที่ดีจะต้องไม่มองออกนอกตัวไม่วิจารณ์ผู้อื่นใครก็จะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาหน้าที่ของนักปฏิบัติก็คือใช้สติตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่ามองออกไปนอกตัวจำไว้หลวงพ่อครับ การใช้สติตามดูกายเวทนานั้นน่ะผมพอเข้าใจแต่ตามดูจิตเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาอธิบายได้ไหมครับก็กำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงเอาละฟังให้ดีจิตตานุปัสสนานั้นถ้าว่ากันโดยหลักก็คือการใช้สติตามดูจิตของตนตามรู้จิตของตนรู้ชัดว่าจิตของตนในขณะนั้นๆเป็นอย่างไร เช่นมีราคะโทสะโมหะหรือไม่ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นขณะที่เธอเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิแล้วจิตคิดไปในเรื่องต่างๆเธอก็ต้องรู้ในขณะนั้นว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านก็พยายามทำให้มันเป็นสมาธิ้วยการเอาสติมาจดจ่ออยู่กับอิริยาบท จะเป็นขวาย่างซ้ายย่างหรือพองหนอยุบหนอก็แล้วแต่ว่าเธอกำลังเดินหรือกำลังนั่งพูดง่ายๆก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตอย่าลืมพระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นเมื่อย่อลงแล้ว ก็เหลือเพียงข้อเดียวคือสติปัดชิมโอวาที่ประธานแก่พระ อ, อ น, นุนและภิกษุห้าร้อยรูปตอนใกล้จะปรินิพพานก็ทรงเน้นเรื่องสติรู้ไหมปัดชิมโอวาทนั้นว่าอย่างไรท่านถามพระบวชใหม่ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายนั้นไม่รู้ ไม่ทราบครับหลวงพ่อทราบว่าผมไม่ทราบและยังแกล้งถามผมให้อับอายขายหน้าพระใหม่ตัดพออ้าวก็เปิดโอกาสให้เธอได้พูดบ้างยังไงล่ะเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันตีตัวพูดอยู่คนเดียวนิมนต์หลวงพ่อพูดเถอะครับผมขอตีตัวฟังอย่างเดียวเอาละถ้าอย่างนั้นก็ฟังต่อ ปัดชิมโอว่าที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่บรรดาภิกษุก็มีใจความว่าดูกนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราผู้ตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงย่างกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถอะนี่แหละ เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์เพราะหลังจากตรัสเช่นนี้แล้วมิได้ตรัสอะไรอีกทีนี้เธอเห็นหรือยังว่าคำสอนทั้งปวงที่ได้ประทานตลอด 45, ส5าพันศานั้นมาจบลงตรงที่สติตัวเดียวนี้ไม่เห็นมีคำว่าสติเลยนี่ครับหลวงพ่อคนจำเก่งแต่คิดไม่เก่งท่วงขึ้นอ้าว ก็ที่ทรงเตือนไม่ให้ประมาทนั้นไม่ใช่สติหรอกหรือไม่ประมาทก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นทรงให้ภิกษุตื่นนอนตั้งแต่ตีสมาเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดดูอิริยาบถซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ อันถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไนเธอลองบอกมาสิว่าหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างไม่ทราบครับก็หลวงพ่อยังไม่เคยสอนท่านมหาก็สอนแต่กิ จ, จวัตรสิบอย่างตอนก่อนบวชมีหนึ่งลงอุโบสถสองบินทบาตเลี้ยงชีพสามสวดมนต์ไหว้พระสี่กวาดอาวาดวิหารลานพระเจดีย์ 5. รักษาภาคครอง 6. อยู่ปริวาสกรรมเจดโกนผมโปรงโหนตัดเล็บ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ 9. เทศนาบัตร 10. พิจารณาปัจเจเวกทั้งสี่เป็นต้นไม่ทราบว่าจะเป็นอันเดียวกับที่หลวงพ่อถามหรือเปล่าที่เธอว่ามนันนั่นนเป็นรายละเอียด แต่หน้าที่หลักของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเพียงสามข้อคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมอันนี้เป็นหน้าที่หลักคือศึกษาธรรมก็คือเรียนรู้วิธีปฏิบัติเช่นวิธีเจริญสติปัฏฐานเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉย เหมือนอย่างพวกนักปรัชญาเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสั่งสอนคนอื่นได้เหมือนกับที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับใช่ฉันเป็นศักกยบุตรพุทธโอรสก็ต้องปฏิบัติตามที่เสด็จพ่อทรงสอนถึงเธอก็เช่นเดียวกันกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลมีเมืองเล็กๆ เ, เ, เมืองหนึ่งชื่อกุรุ ชาวเมืองกูรุเนี่ยนิยมจเจริญสติปัฏฐานสี่กันมากถึงขนาดเอามาเป็นคําทักทายปราศัยกันในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเขาเดินไปพบคนรู้จักแทนที่จะถามว่าสวัสดีไปไหนมาจ๊ะทานข้าวหรือยังอะไรทำนองนี้เขากลับทักทายกันว่าท่านผู้เจริญท่านจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วหรือยังถ้าเขาตอบว่า ฉันจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่จ้ะเขาก็จะยกมือขึ้นสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าคนตอบว่ายังเลยจ้ะคนถามก็จะพูดว่าอับเปหิอับเปหิแปลว่าจงหลีกไปจงหลีกไปแล้วเขาก็จะรีบเดินหนีเหมือนดังว่าพบสิ่งอัปมงคลเมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องรีบปฏิบัติจะได้เป็นมงคลทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นเมื่อชาวเมืองกุรุภากันเจริญสติปัฏฐานสีเป็นนิจศีลก็ทําให้เมืองเล็กๆนั้นเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธ์ัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปที่เมืองนั้น และทรงทานายว่าต่อไปในการข้างหน้าเมืองกุรุจะกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากซึ่งก็เป็นจริงตามพุทธธรรมนายเพราะในเมืองกุรุปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียที่นี้เธอเห็นหรือยังละว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเพียงใดเห็นแล้วครับ และผมก็ตั้งใจว่าจะภาคเพียนให้ถึงที่สุดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอาระยะละครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีกชั่วโมงครึ่งเวลานอนก็อย่าลืมกำหนดพองยุบไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองจับได้หรือยังละ่ะยังครับเอาละ่ะ ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้พยายามใหม่ได้เมื่อไรมาบอกทันทีเข้าใจไหมครับและตอนสองทุ่มผมก็ไม่ต้องมาสอบอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วไม่ต้องกลับไปสงน้ำแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพรุ่งนี้ก็ตื่นตีสี่มันจะง่วงเหงาหานอนก็ต้องฝืนใจ การทำความดีต้องฝืนใจจึงจะสำเร็จเอาละกลับไปได้แล้วคืินนี้ฉันจะสอนครูสามคนให้เดินจงกรมระยะที่สเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวก็จะกลับกันแล้วพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้เขาต่อระยะที่ห้าที่หเลยไหมครับก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ต้องดูกําลังเขาก่อนว่าจะรับไหวไหมคนเป็นครูใหญ่คงได้แต่อีกสองคนฉันไม่ค่อยแน่ใจ สำหรับเธอวันละหนึ่งระยะดีแล้วคอยเป็นคอยไปเพราะเธอยังอยู่ที่นี่อีกนานท่านอธิบายเพื่อไม่ให้คนเป็นพระน้อยใจว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นคฤหัตมากกว่าถ้าเช่นนั้นผมกลาบลาละครับเดี๋ยวต้องกลับไปส่งน้ำและสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติไปเถอะขอให้ภาคเพียนให้ดี บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่แหละจำเอาไว้พระบัวเยี่ยวกลับไปแล้วท่านพระครูจึงส่งน้ำชำระร่างกายเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีจะสองทุ่มท่านจึงเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานซึ่งเขียนมาได้ปีเศษแล้วและคงต้องใช้เวลาอีกลายปีกว่าจะเสร็จวันใดที่ภารกิจรัด ต, ตัวมาก ยา ว, ว่าแต่จะเจียดเวลาเขียนหนังสือเลยแม้เวลาจะจำวัดก็ยังไม่มียิ่งเรื่องการขบฉันด้วยแล้วท่านให้ความสนใจน้อยที่สุดด้วยเหตุนี้สุขภาพของท่านจึงไม่อยู่ในข่ายที่เรียกว่าสมบูรณ์แข็งแรงแม้จิตของท่านจะปลอดโปรง่งไม่หิวไม่ง่วงและไม่รู้สึกกระวนกระวายแต่สังขารร่างกายของท่านยังอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ ซึ่งยอมจะต้องสุดสมและร่วงโรยไปเร็วกว่าร่างกายที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีและสม่ำเสมอเวลาสองทุ่มตรงคณะของครูสลิดก็มาถึงท่านพลครูสอบอารมณ์ให้ทีละคนและจึงสอนการเดินจงกรมระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอ โดยเพิ่มยกซนหนอลงไปอีกหนึ่งนอกนั้นเหมือนระยะที่สามทุกประการการเดินจงกลมระยะที่สี่จึงบริกา ร, รว่ายกซนหนอยกหนอย่างหนอะเหยียบหนอเดินเป็นกันแล้วท่านจึงให้กลับไปปฏิบัติต่ อ, อย่างที่ศาลาที่พักคนทั้งสามลุกออกไปเมื่อเวลาสามทุ่มครึ่ง ท่านพระครูกำลังขึ้นไปเขียนหนังสือต่อก็พอดีลูกศิษย์วัดมาเรียนท่านว่ามีแขกมาขอพบเมื่อท่านอนุญาตชายหญิงคู่หนึ่งจึงเดินเข่าเข้ามาหาในมือประคองพานคนละใบมีผ้าไตรเนื้อดีหนึ่งสํหรับวางอยู่ในพานของผู้ชายส่วนของผู้หญิงเป็นดอกไม้ทูปเทียนเมื่อเดินเข้ามาใกล้ในระยะหัตถบัด จึงวางผ่านไว้ทางขวามือของตนแล้วกราบเบญจางขาประดิษฐ์สามครั้งเจริญพรโยมายังไงกันคำคำมืดมืดท่านเจ้าอาวาสทักกระผมขับรถมาเองครับจะพาภรรยามาขอขึ้นกรรมฐานจากหลวงพ่อครับชายผู้เป็นสามีตอบอ๋อและจะอยู่กี่วันละ่ะไม่อยู่ครับจะให้เขากลับไปปฏิบัติที่บ้าน ผมสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เขาบ้างแล้วมีปัญหาอะไรค่อยมากราบเรียนถามหลวงพ่อสามีเป็นคนตอบเช่นเคยท่านพระครูจำได้ว่าชายผู้นี้ได้มาเข้ากรรมฐานเป็นเวลาเจวันเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปไปมามาอยู่เสมอถ้าอย่างนั้นกอตามใจแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอยู่วัดสักเจวัน อยู่บ้านมันรักษาอารมณ์ไม่ค่อยได้ต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องโ น, น้นเดี๋ยวเรื่องนี้มากระทบค่ะดิฉันว่าจะหาโอกาสมาให้ได้รอให้ลูกคนเล็กโตอีกหน่อยตอนนี้เพิ่งได้สามขวบกับสี่เดือนภรรยาพูดบ้างจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่บางคนลูกยังเล็กอยู่เขาก็มาลูกศิษย์อัตมาคนหนึ่ง เป็นอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพเขามาเข้ากรรมาฐานครั้งแรกมาลูกชายอายุได้สี่เดือนมาอยู่ได้เจ็ดวันแล้วเขาก็มาบ่อยๆใจเด็ดดีเลือเกินเขาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อคะหนูไม่ยอมให้ลูกเต้ามาเป็นเกาะแก่งกั้นกลางทางกุศลเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกคะ่ะอาตมาฟังแล้วก็นึกว่าเออเข้าใจคิดเข้าใจพูด อาจารย์ที่ตัวเล็กๆหน้าคมๆสวยๆใช่ไหมครับผมเคยเห็นมาที่นี่บ่อยดูเหมือนอายุจะราวๆยี่สิบไม่น่าเชื่อ ว, ว่ามีลูกแล้วนั่นแหละอายุส0ิบกว่าแล้วแต่ดูหน้าเด็กระวังนะชมคนอื่นว่าสวยต่อหน้าแม่บ้านกลับไปเนื้อเคียวอัตมาไม่รู้ด้วยนะดิฉันชินแล้วคะ่ะหลวงพ่อ ลูกคนอื่นเมียคนอื่นเขาชมว่าดีว่าสวยไปหมดทีลูกเมียของตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างถึงดีก็ว่าไม่ดีฝ่ายภรรยาตั้งท่าเปิดศึกท่านพระครูเห็นว่าท่าไม่ดีจึงพูดจากไกลเกลียว่าผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนแหละโยมไปถือสาให้เสียอารมณ์ทำไมละ่ะว่าแต่ว่าที่โยมจะกลับไปทำกรรมฐานที่บ้านนะ่ะ อาตมาขออนุโมทนาด้วยทำได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนึกว่าสะสมหน่วยกิจเอาไว้ท่านใช้คำพูดทันสมัยเสร็จจากพิธีขอกรรมฐานสองสามีภรยาจึงช่วยกันประเคนผ้าไตรถวายแด่ท่านพระครูแล้วจึงบอกลาเดี๋ยวก่อนจอะเพิ่งกลับประเดี๋ยวจะให้ดูของดี โนดมากันโนดแล้วท่านบุยใบไปที่ชายหญิงกรุ่งใหญ่ซึ่งพากันเดินตรงมายังกุฏิคนเดินหน้าถือถาดทองเหลืองขนาดใหญ่มาด้วยใบหนึ่งมือมาถึงยังไม่ทันจะได้ทำความเคารพเจ้าของกุฏิพวกเขาก็พากันถอดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนนาฬิกาข้อมือสร้อยข้อมือออกใส่ถาดนั้นจนเต็ม และจึงช่วยกันยกไปวางต่อหน้าท่านพระครูสามีภรรยาผู้มาก่อนแอบนึกในใจว่าโธ่เอ้ยเราเอาแค่ผ้าไตรสําหรับเดียวมาถวายแต่คนกลุ่มนี้จางใจบุญกุศลมากกว่าเราหลายเท่านักขนาดของดีมีค่าในตัวก็พากันถอดถวายจนหมดใจบุญแท้ๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็พากันขยันขยอว่า หลวงพ่อเสกหน่อยช่วยเสกให้หน่อยจะได้คลังท่านพระครูจึงทำทีเป็นนั่งหลับตาทำท่าบริกรรมและเป่าพวดพวดออกไปสามครั้งจึงลืมตาขึ้นแล้วก็พูดว่าเอาเสกแล้วเสกให้แล้วพอท่านพูดจบคนเหล่านั้นก็กรูกันเข้ามาทิ่ถาดหยิบคลมุกพลมับเอาของของตัวคืน แล้จึงพากันลากลับไม่ลืมเอาถาดทองเหลืองใบใหญ่กลับไปด้วยประเดี๋ยวจะต้องไปให้หลวงพ่อวัดโน้นเสกอีกท่านพลักครูสายหน้าแล้วก็พูดกับสองสามีภรรยาว่าพวกนี้เขาอีกกระดับหนึ่งชวนให้มาเข้ากรรมาฐานไม่เอาชอบให้เสกให้เป่าตับพลึตของจริงไม่ชอบชอบของปลอมท่านพูดยิ้มยิ้ม หลวงพ่อไม่อธิบายให้เขาฟังหรอครับชายผู้สามีถามโตโยมต่อให้อธิบายจนขาดใจเขาก็ไม่ฟังเขารับได้แค่นั้นก็ต้องแล้วแต่กรรมของแต่ละคนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตถ้าคนเราเข้าใจอะไรๆ ไ, ได้เหมือนกันหมดโลกมันก็ไม่ยุ่งสิโยมเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเต๋ไหมละ่ะ เคยครับได้ยินกิติศัพท์ว่าท่านเก่งทางเสกเป่านั่นแหละเสกจนตายคาที่เลยขนาดท่านนอนพงาบพงา บ, งงาบจนจะมรณะภาพอยู่แล้วพวกลูกศิษย์ยังเอาตุกตามาให้เสกอีกหลายร้อยตัวท่านก็ต้องเสกต้องเป่าไปจนลมไม่มีพวกลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่ออดทนเอาหน่อยอดทนเอาหน่อยจนเสร็จแล้วท่านก็ตามใจ เป่าให้จะลมหายใจสุดท้ายอาตมาเห็นแล้วสงสารท่านแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกลูกศิษย์เ็าจะเอากันอย่างนั้นพอพวกเขารู้ว่าสิ้นลมกลับพากันบ่นอีกว่าแม้หลวงพ่อให้ช่วยแค่นี้ก็ต้องตายด้วยหลวงพ่อครับแล้วของที่ว่าเสกเปล่าแล้วจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์หรือขลังจริงไหมครับมันจะไปค้งไปครังอะไรล่ะ ก็เชื่อกันไปผิดผิดหลวงพ่อเต๋เองท่านก็รู้แต่ท่านบอกห้ามเขาไม่ได้อธิบายเขาก็ไม่ฟังก็เหมือนกับอธิอาตมาไม่สามารถอธิบายให้คนกลุ่มนี้เมื่อกีเนี่ยเข้าใจได้นั่นแหละถ้าจะเปรียบกับบัวสีเหลาก็คงได้แก่พวกปัทปรมะสอนยังไงก็ไม่รับรับไม่ได้เพราะสติปัญญามีแค่นั้น แค่รับของปลอมพวกบัวที่ติดโคลนตมไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั้นแหละผลสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของเต่าปลาไปโยมจำเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันต่อเมื่อมาพบหลวงพ่อจึงได้ตาสว่างขึ้นเพราะบารมีหลวงพ่อแท้ มันไม่ใช่บารมีอาตมาหรอกบารมีของโยมเองนั่นแหละไม่งั้นคนกลุ่มเมื่อกี้เขาก็เหมือนโยมแล้วสิเรื่องอย่างนี้ต้องทำเองสร้างเองนะโยมครับหลวงพ่อครับกระผมกับภรรยากวนเวลาหลวงพ่อมานานเห็นจะต้องลากลับสียทีหลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะกลับแล้วรึเอาละขอให้เจริญสุขนะโยมนะ มันพากันเจริญกรรมฐานทุกวันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองแล้วว่างๆอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันนะโยมนะท่านหันไปพูดกับคนที่เป็นภรรยาค่ะฝ่ายนั้นตอบและสองสามีภรรยาจึงพากันลากลับเมื่อเวลาเกือบสองยาม